ว า, าสนาแทนพ่ออย่างไรรุ่นพี่ๆทั้งหลายแหละจะต้องช่วยกันดูไม่ใช่ว่าจะมอบแต่พ่อสั่งซะก่อนยังค่อยทําแสดงมาลูกเลี้ยงมาแล้วไม่รู้จกโต เ, เป็นเบบี้อยู่ตลอดอพ่อแม่สั่งเสียสอนมาแล้วควรจะปปฏิบัติตนอย่างไรมีแต่งองแงอยู่ตลอด